จเจริญสุขท่านสาธุชนและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็เป็นบทเรียนต่อจากครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วนั้นเราก็ได้ว่ากันมาถึงตอนที่พระมหาบุรุษทรงทรงลาดยาคาแตกกำมือที่รับมาจากนายโสธิยพราม์ณที่ควงที่ โพโค้นต้นโพแล้วก็ทรงประทับนั่งพระองค์นั้นได้ทรงอธิษฐานจิตว่าตราบใดที่ยังไม่ได้บร ร, รลุสัมมาสัมโพธิญาณและไซแง่พระมังสะคือเนื้อพระโลหิตคือเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่พระตจะักนาหารุอนัพตจักหนังนาหารุเอ็นพระอธิกระดูกก็ตามที จะไมยอมขึ้นตราบนั้นในสมัยนั้นแลก็มีพญามารคือพญา ม, มาราธิราช ท, ที่มีนามว่าพญาวสวดีมารเห็นว่าพระมหาบรุษนี้จะล่วงพ้นอำนาจของตัวเองไปเสียจึงได้ยกกองทัพมาเสนามารมาเป็นจานวนมากเพื่อจะมาขับไล่ให้พระองค์นั้นเสด็จลุกไปเสียจากต้นโพนี้โดยอ้างว่าสถานที่นี้เป็นของตนเอง พระองค์นั้นก็ได้อ้างว่าสถานที่นี้พระองค์ได้บำเพ็ญเพียรมาถึงสี่อสงไขยกับหนึ่งแสนกับนั้นก็เพื่อหวังที่จะประทับนังที่นี่โดยที่อ้างเอาแม่พระธรณีนั้นเป็นพยานแล้วพระองค์ก็ได้ต่อสู้พยามานั้นด้วยบารมีสิบทักหรือสิบประการดกันในบารมีสิบประการ น, นั้นก็มีหนึ่งทานการที่พระองค์ได้เสียสละบำเพ็ญ ท, ทานมา สองศีลการที่พระองค์ในรักษาศีลที่เรียกว่ารักษากายวาจาให้ปกติสามเนคขมะการออกจากกามก็ได้แก่การบรรพชาสี่ปัญญาก็รู้สิ่งที่ควรรู้ห้าวิริยะความเพียรพยายามหกขันติความอดทนเจ็ดสัจจะความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่อธิฐานความตั้งใจอย่างมั่นคง ก้ากรุณาความรักใคร่และสิกอุเบขาความวังเฉยพระองค์ได้ใช้บารมีสิบทัศหรือสิบประการนี้ต่อสู้จนพญามาลาธิลานั้นได้พ่ายแพ้ไปก่อนที่พระอาทิตจะตกดินเพราะฉะนั้นก็จริงได้มีพระพุทธรูปที่เราได้สร้างกันปางหนึ่ง ซึ่งเป็นต่างที่ตอนที่พระองค์ผจญมาร น, นี้บางท่านก็เรียกว่าปางผจญมานบ้างบางท่านก็เรียกว่าปางมาลวิชัยบ้างหรืออีกอย่างหนึ่งบางท่านก็เรียกว่าปางสะดุ้งมารเหล่านี้เป็นต้นพระพุทธองค์นั้นอาพระมหาบุรุษนั้นทรงชำระทรงกำจัดมารและเสนามารให้ผายแพร่ไปก่อนที่พระที่จะตกดิน แล้วพระองค์ก็ทรงเริ่มจเจริญสมถภาวนาทําจิตให้เป็นสมาธิจนได้บรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุทธฌานแล้วยังยานอันเป็นองค์ปัญญาสามประการให้เกิดขึ้นทั้งสามราตรีในการที่ประจนมานี้ท่านกล่าวเป็นในเชิงของอุปราฐาน ถ้าจะกล่าวในเชิงธรร ม, มทิฐานแล้วก็คือว่าได้แก่ตัวกิเลสนั่นเองซึ่งตัวกิเลสเหล่านี้ได้หวนขึ้นมาในพระดวงในพระหฤทัยของพระองค์ทาให้เราลึกถึงความสุขสาลาญในราชสมบัติที่พระองค์เคยเคยอยู่แต่ฟาก่อนก็จึงได้เปรียบเอาตัวกิเลสเหล่านี้เนี่ยออกมาหเห็นเป็นตัวพญามาณ เมื่อพระองค์นั้นทรงรู้เช่นนี้แล้วก็พยายามกำจัดพย า, ยามานคือกิเลสนั้นให้หมดไปแล้วจึงได้เริ่มจเจริญสมถาภาวนาต่อไปจนกระทั่งพระองค์นั้นได้สำเร็จคือได้บรรลุพระสัพพัญญุตยานจนกระทั่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันขึ้นสิบห้าคำเดือนหก่อนพุทธศกสี่สิบห้าปี ณราตรีสุดท้ายณราตรีแห่งยามสุดท้ายแห่งนณิษฐขบูชา น, นั้นก็เป็นอันว่าจบปริเฉตที่ห้าในปริเฉตรเรื่องตรัสรูเพียงเท่านี้ต่อไปก็เป็นปริเฉตที่หกต่อไปในปริเชที่หกนี้ว่าด้วยปรมอพธิกันปรโมโพธิการนี้ก็ เกี่ยวกับในระยะการที่แรกแห่งการตัสรู้ปริเกที่หกนี้วาดด้วยประทงเทศนาและปร ะ, ะสาวกปร ะ, ะเทศนาหมายถึงว่าเท่กันแรกปร ะ, ะสาวกก็แปลว่าภาษาวกองแรกื่ะสัมมาสัมพุทธเจ้าตัสรู้รรมาพิเศษแล้วเสด็จประทับอยู่ภายใต้ ล่มไม้มหาโพนันเสวยวิมุตติสุขคือสุขอันเกิดแต่ความพ้นจากกิเลสสิ้นการันเจ็ดวันคือพระพุทธองค์นี่เมื่อได้ตัสรุนุตระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็ยังม่ได้เสด็จออกโปรดสัตว์หรือเสด็จไปในที่อื่นเลยพระองค์ทรงเสด็จ สวยมุติสุขคือสุขอันเกิดจากการพ้นกิเลสอาสะวะนั่นเน่ะเป็นเวลาโดยกันทั้งหมดเจ็ดสัปดาห์นะเจ็ดสัปดาห์เจ็ดสัปดาห์นี้สัปดาห์และหนึ่งแห่งรวมแล้วเป็นเจ็ดแห่งดดวยกันที่เราเรียกอินนายะหนึ่งว่าสะตะมหาสถานนะคือสถานมหาสถานเจ็ดตำบลซึ่งพระองค์นั้นทรงเสวยมุติสุข ในสัปดาห์แรกนั้นหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสรุแล้วก็เสด็จประทับเสวยมุติสุขอยู่ภายใต้ลม่มไม้สีมหาโพธิ์นั่นเองตลอดทั้งเจ็ดวันโดยการที่พระองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุขบาทที่พระองค์นั้นได้ทรงพิจารณามาแล้วจนกระทั่งที่ได้จนกระทั่งที่ได้บรรลุลู่ถึงอริยสัจสีประการทําให้พระองค์ ได้หมดจากกิเลสอาสวะพระองค์นั้นได้ทรงพิจารณานั้นปฏิจจสมุปบาทตามลำดับคือทวนลำดับกลับไปกลับมาทั้งตามลำดับและทวนลำดับกลับไปกลับมาเช่นนี้ทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับตลอดสามยามแห่งราตรีแล้วจึงได้เปล่งอุทานตัดออกมา ในยามละครั้งแห่งราตรีนะวาจาที่พระองค์ทรงเปล่งอุทานออกมานั้นในอุทานยามต้นว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้เพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมว่าเกิดแต่เหตุมีพระองค์ทรงอุทานในยามแรกในยามที่สองนั้นพระองค์ทรงอุทานว่า เมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้เพียรเพ่งอยู่เมื่อ น, นั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นแห่งปัจจัยทั้งหลายว่าเป็นเหตุสิ้นแห่งผลทั้งหลายด้วยนี่เป็นอ่าเป็นยามที่สองที่พระองค์ทรงอุทานในยามอุที่สามนั้นพระองค์ทรงอุทานว่า เมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้เพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกำจัดเสนนาอามานและเสนนามานเสดได้ดุจพระอาทิตย์อุไทยกำจัดความมืดทำให้อากาศให้สว่างสวายนั้นพระองค์ทรองอุทานเช่นนี้แหละเพราะฉะนั้นบทอุทานนี้จึงได้มีนามได้ดีเรียกกันว่าปฐมอุทาน คือตั้งแต่พระองค์ได้ตัสรู้แล้วก็อุทานเป็นครั้งแรกพระองค์นั้นได้อยู่สวยมุติสุขอยู่ที่ภายใต้ต้นสีมหาโพนั้นเป็นระยะถึงเจ็ดวันคือหนึ่งสัปดาห์พระองค์ก็ได้เสด็จลุกออกจากต้นสีมหาโพนั้นเสด็จไปทางทิศอีสาน แล้วก็ได้ประทับยืนทอดพระเนตรต้นสีมหาโพนั้นโดยมิได้กัพลิพระเนตรตลอดเจ็ดวันสถานที่ที่นั้นจึงได้มีนามว่าอภินิมิสเจดีอภินิมิตรแปลว่าไม่ไม่กัพลิพระเนตรพระองค์นั้นทรงทอดพระเนตรดูต้นโพนั้นด้วยความรู้สึกในความกตัญญูกตเวทีว่าพระองค์ได้อาศัยล่มแห่งต้นสีมหาโพนี้ แ, แวงหาโมกธรรมจนกระทั่งได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหลังจากเจ็ดวันแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จกลับมาได้เสด็จพระองินกลับมาจากอันนิมิสเจดีนี้เข้ามาถึงกึง่งหนึ่งระหว่างคือครึ่งหนึ่งระหว่างอันนีมิสเจดีและตนสีมหาโพธิ์อันนี้มิสเจดีและตนสีมหาโพธิ์ และพระองค์ก็มาหยุดอยู่ในระหว่างกลางนั้นแล้วก็ทรงอธิษฐานอธิษฐานที่จงกลมอธิษฐานที่จงกลมแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จจงกลมอยู่ในระหว่างต้นสีหมหาโพกับอันิม้มีเจดีนี้เสด็จจงกลมกับจงกลมนี้ก็แปลวันเดินกลับไปกลับมาพระองค์เสด็จจงกลมเดินกลับไปกลับมาณนะสถานที่นั้นตลอดเจ็ดวัน เพก็ะฉะนั้นสถานที่นั้นจึงได้มีนามว่ารัตนจงกรมเจดีย์ได้มีนามว่ารัตนจงกรมเจดีย์นี่เป็นสัปดาห์ที่สามในสัปดาห์ที่สี่พระองค์ได้ขั้นครบเจ็วันหรือหนึ่งสัปดาห์แล้วพระองค์ก็ได้เสด็จไปทางทิศพายัพหรือทิศปฐ Jim แห่งต้นศรีมหาโพธิ์ประทับนั่งผัดบัลลังก์ ทรงพิจนาอภิธรรมอภิดกตลอดเจ็ดวันสถานที่นั่นแหละจึงเลือกเรียกว่ารัตนคระเจดีพระองค์ได้ทรงพิจนาถึงอภิธรรมอิดกอภิธรรมอิดกซึ่งเป็นคำภีที่ลึกซึ้งอยู่ตลอดถึงเจ็ดวันในสถานในการที่พิจน า, าพิธรรมปิดกนี่แหละท่านกล่าวว่า พระองค์ทรงพิจารณาคำภีต้นเป็นลำดับต่อไปจนกระทั่งถึงคำภีสุดท้ายคือเรียกว่าคำภีประธานหรือมหาประธานเมื่อพระองค์ได้พิจารณาคมภีประธานหรือมหาประธานนี่แหละแสงสว่างหรือที่ว่าพระสมีหลิลลังศี 6. ประการที่เราเรียกว่าฉับพันนลังศี ก็ได้เปล่งออกจากพระวรากายของพระองค์ <c oughs> ก่อนจกนั้นมาแม่พระองค์จะได้ตรัสรู้นุตระสัมมาสัมโพธิญาแล้วฉาพันลังสีหรือรัศมีหกประการนี้ก็ยังมิได้เปล่งออกจากพระวรากายของพระองค์จนกระทั่งพระองค์ได้มาพิจารณาถึงอภิธรรมอปิดกในคัมภีร์สุดท้ายที่เรียกว่าปัฐาะลิมหาปัตถา น, นี่แหละ ชพันธ์นรังสีจึงได้เปล่งออกจากพระวรากายของพระองค์ในสัปดาห์ที่สี่นั้นเพราะฉะนั้นในสถานที่นี้จึงได้มีนามว่ารัตนพระเจดีหรือในหนึ่งที่เราเรียกกันว่าเรือนแก้วในสัปดาห์ที่ห้าเมื่อพระองค์นั้นได้เสวยมุติสุขอยู่ที่รัตนพระเจดี สิ้นสัปดาห์หนึ่งแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จไปทางทิศบุรพาแห่งต้นสีมหาโพธิ์ไปยังต้นไซตต้นหนึ่งซึ่งตามหลักฐานแล้วปัจจุบันที่ท่านผู้สแสวงหาพบกันก็บอกก็ได้ความว่าพระองค์ทรงข้ามแม่น้ำในลันชลาไปไปทางทิศบุรพาของต้นสีมหาโพธิ์ก็ไปยังต้นไซตต้นหนึ่งต้นไทตต้นนี้ อันเป็นที่พักอาศัยล่มเงาของคนเลี้ยงแพเพราะฉะนั้นต้นไทรต้นนี้จึงได้ชื่อว่าอชะปารณิโครดมีโครดแปลว่าต้นไทรอาชะแปลว่าแพปาะปละแปลว่าเลี้ยงดูหรือรักษาสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่คนเลี้ยงแพมาอาศัยล่มเงาพักในตอนกลางวัน เพราะฉะนั้นต้นนี้จึงได้ชื่อว่าอชะปรรณีโครธแปลว่าต้นไทเป็นที่อาศัยพักลมของคนเลี้ยงแพะเมื่อพระองค์มาเสวยมุติสุขอยู่ในสถานที่นี้ก็ถูกพรามคนหนึ่งคือคนเลี้ยงแพะคนหนึ่งมีปกติชอบอมักตวาดคนอื่นว่าหิงหิงหรือหงหงนะซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นคำหยาบรนะักจะเป็นผู้จงติดปาก เหมือนกับโคนะเหมือนกับบางท่านบางคนนั่นเวลาจะพูดอะไรขึ้นมาก็ติดปากใช้คำจน เ, เคยชินก่อนจะพูดอะไรก็มักจะพูดคำนี้ขึ้นก่อนถ้าพราหมณ์ผู้นี้แกก็มาเรียนถามพุทธเจ้าถึงธรรมะที่ทาให้คนเป็นพราหมณ์นะถึงธรรมะที่ทำให้คนเป็นพานะ ร, รหนนพาหมณ์ความจริงแล้วความประสงค์ของแกนั่น แกต้องการที่จะถามพระพุทธองค์เกี่ยวกับเรื่องลทัทธิของพราหม์ซึ่งคนเรานั้นจะเป็นพรามณ์ได้นั้นจะต้องเรียนจบไตรเพศนะจะต้องเรียนจบไตรเพศถึงจะเป็นพราม์ได้คือทําเป็นธรรมะที่จะทําให้คนเป็นพรามคนเราจริงอยู่แม้จะเกิดมาในตระกูลที่บิ ด, ดามารดาเป็นพราหมก็จริงแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เรียน จบไตรเพศตามราที่ของพราหมณ์แล้วถือว่ายังเป็นพราหมณ์ไม่เต็มตัวต่พราหมณ์ผู้นี้มีความประสงค์ที่จะสอบถามความรู้ของพระพุทธองค์ว่าจะมีความรู้หรือไม่มีความประสงค์เช่นนี้แต่พระพุทธองค์ทรงยักย้ายการพยากรณ์ปัญหาเสียโดยที่พระองค์ตอบไปว่าผู้ดใดก็ตาม ที่มีบาประรมมอันลอยได้เสร็จแล้วแล้วไม่มีกิเลสอันเป็นเครื่องขู่ผู้อื่นว่าหิงหิงซึ่งเป็นคำหยาบและไม่มีกิเลสอันย้อมจิตให้ติดดุจนาฝาดมีตนสมรวมแล้วถึงที่สุดจบเวทแล้วมีพรหมจรรย์อยู่เสร็จแล้วผู้นั้นไม่มีกิเลสเป็นเครื่องฟูขึ้นในโลก แม้น้อยหนึ่งก็ควรกล่าวถ้อยคำว่าตนเป็นพรามโดยธรรมในที่นี้พระพุทธองค์ที่ตัดชิมนี้ความหมายของพระพุทธองค์ว่าคนที่จะเป็นพรามได้นั้นก็คือคนที่หมดกิเลสแล้วผูาง่ายๆคือพระอรหันต์นั่นเองทําไมพระองค์จึงตัดว่าพระอรหันต์นี้เป็นพรามเพราะคําว่าพรามนี้แปลว่าผู้ประพฤติอย่างประเสริฐ เพประพฤติหรือว่าผู้ประพฤติรพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือการประพฤติประเสริฐเพราะฉะนั้นคนที่ประพฤติพรหมจรรย์นจริงใ น, นชื่อวระพรามท่านนี้พรหมจรรย์อันประเสริฐนี่ตามหลักพุทธศาสนาพรหมจรรย์ในที่นี้อันประเสริฐนั้นก็ได้แก่าตามหลักพุทธศาสนาคือปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทคนที่ประพฤติจนบรรลุ ป, ปฏิเวทแล้วก็คือพระอรหรันต์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์หนึ่งก็คือพราม มีความหมายของพระสมมาสมพุติเจ้าพระองค์ทรงตัอบไปที่นี้แทนที่จะตอบโดยวาหาองูพรามแต่ตอบเสียโดยวาหารของพุทธศาสนาะว่าคนจะเป็นพรามนั้นไม่ใช่เกิดจากพ่อที่เป็นพรามแม่ที่เป็นพรามหรือว่าคนที่เรี ย, รยนจบสุดวัทีิของพรามคือจบเวททั้งสามได้แก่ลึกเวทสามเวทยชุรเวทไม่ใช่อย่างนั้น แต่คนที่จะเป็นพามได้จริงๆนั้นก็หมายความคนที่มีบาบมีบุญอร่อยได้เสียแล้วก็คนที่ไม่มีบาปไม่มีบุญก็ได้แก่พระอาหารหันต์นั่นเองในสัปดาห์ที่หกเมื่อพระองค์ได้เสด็จอยู่จนครบเจ็ดวันที่ต้นอัชชาปริโกธแล้วในสัปดาห์ที่หกนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จไปยังต้นจิตซึ่งอยู่ทางทิศอาคันย์แห่งต้นสีมหาโพธิ ที่กล้ๆต้นจิตนั้นก็มีสระน้ำสระหนึ่งอังกล่าวว่าอันเป็นที่อยู่ของพญานาคชื่อว่ามุจลินเพราะฉะนั้นสถานที่นี้จึงได้นามว่ามุจลินนะสถานที่นี้จึงได้นามว่ามุจลินที่มุจลินนี้พระองค์ทรงประทับอยู่ถึงหนึ่งสัปดาห์คือเจดวันเหมือนกัน ในที่นี้ท่านกล่าวว่าฝนเจอด้วยลมหนาวนะฝนเจอด้วยลมหนาวตกตลอดเจ็ดวันพญาน้าชื่อวมุจลินก็จิงได้ขึ้นมาเห็นพระมหาเห็นพระมุทธองค์แล้วด้วยความเริ่มสก็จิงได้มาวงด้วยขนูของตัวเองเจ็ดรอบแล้วก็แผ่พังพานปกพระ สัมมาทมพุทธเจ้าโดยที่มีความาโดยที่หวังว่ า, าเพื่อที่จะไม่ให้ละอองฝนนั่นถูกต้องพระวรกายของพระพุทธองค์อยู่เช่นนี้ถึงเจ็ดวันนะอยู่เช่นนี้ถึงเจ็ดวันจนกระทั่งฝนหายแล้วพญา น, นาตัวนี้ก็จึงได้แปลงเพศมาคลายกาหนดแล้วแปลงเพศมาเป็นมนุษย์ ยืนเฝ้าต่อเฉพาะพระพักตรองค์แล้วก็จิงได้นมัส ก, การแล้วก็หายไปที่มุจลินแห่งนี้พระองค์ได้เสวยมุจิสุขอยู่ถึงเจ็ดสัปดาห์นั้นพระองค์ก็ในเปล่งอุทานขึ้นว่าความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้มีธรรม ได้สดับแล้วยินดีอยู่ในที่สงัดรู้เห็นตามเป็นอย่างไรความไม่เบียดเบียนคือความสมรวมในสัตว์ทั้งหลายและความปราศจากความกหนักคือความล่วงกามทั้งหลายเสียได้ด้วยประการทั้ปวงเป็นสุขในโลกความนำอัสมะอัสมิมานะคือความถือตัวให้หมดไปก็เป็นสุขอย่างยิ่ง ในพระดำรัสที่พระองค์ทรงเปล่งอุทานขึ้นนี้ก็มุ่งหมายว่าสำหรับคนที่ได้สดับธรรมะหรือได้ฟังธรรมะแล้วยินดีอยู่ในที่สงัดก็คือว่าประเภทคนที่ว่าไม่ชอบการทุกคลีด้วยหมู่คณะนะเป็นคนปราถจากความคนัดคือหมายความว่าไม่ยินดีนด้วยกามราคะ หรือในกามตัณหาทั้งหลายคืองดเว้นได้แล้วเมื่ออยู่ในที่สงัดเช่นนี้ก็ย่อมมีความสุขคือเป็นคนที่ปราศจากความโลัวต่างๆนะหมายถึงคนที่ว่าล่วงพ้นกามทั้งหลายล่วงพ้นกิเลสทั้งหลายแล้วชอบอยู่ในที่สงบสงัดไม่กลัวเหมือนกับคนธรรมดาไม่กลัวความสงัด และอีกประการหนึ่งก็คือว่าการนำอัสมิมานะอัสมิมาณะนี่คือการถือตัวถือตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่คนเราจะาหนาักเอาไปในที่ใดก็ตามถ้าหากว่าไม่ถือตัวสักอย่างหนึ่งสามารถที่จะเข้ากับคนได้ทุกประเภททุกจำพวกก็เป็นสุขมีพระองค์ทรงทรงเปล่งอุทานเช่นนี้ตลอด <c oughs> สวอยมุติสุขอยู่ในที่นี้ถึงเจ็ดสัปดาห์แล้ว ในสัปดาห์ที่ถึงเจ็ดเจ็ดวันแล้วคือหนึ่งสัปดาห์ในสัปดาห์ที่เจดนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จไปยังต้นเกตนะต้นเกตซึ่งได้นามว่าราชาจตนะอันอยู่ทางทิศทักษิณอันอยู่ทางทิศทักษิณแห่งต้นสีมหาโพนะสถานที่นี้พระองค์ก็ได้พบพานิสองพี่น้องคือพ่อค้าสองพี่นง้อง ชื่อวัาตะปุษะกับพลิกะซึ่งเดินทางมาจากอุตะชนบทจะนำสินค้าคือนำสินค้าบทุกเปียนมาห้าร้อยเล่มเพื่อจะไปขายอย่างชมพูทวีปเสร็จแล้วเมื่อได้ทราบว่าพระพุทธองค์เสด็จอยู่สถานที่นี้ก็จึงได้นำข้าวสตุกข้อนสตุขผง นะซึ่งเป็นเสบียงเดินทางของตนเองนั่นะไปถวายนะไปถวายเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงรับแต่ในที่นี้ท่านก็มีกล่าวแทรกขึ้นมาว่าขนาดนั้นบาทของพระองค์เนะี่ยได้หายไปเสีย ต, ต, ตั้งแต่ตอนไม่มีมาแล้วตั้งแต่ตอนที่รับข้าวมัททุปายาของนางสุชาดา เสร็จแล้วก็พระองค์ก็มาทรงพิจารณาถึงอตีตัตงสยานว่าในอดีตนั้นเนะ่ยพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์เนี่ยทรงรับอาหารด้วยพระหัตหรือว่าด้วยภาชนะหรือว่าทรงรับโดยบาทเมื่อมาพิจารณาเช่นนี้แล้วว่าพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นทรงรับด้วยบาทไม่ทรงรับด้วยพระหัตตอนนี้พระพร ะ, พระองค์ก็มีความดำริอยู่ว่าจะหาอะไรหรือว่าจะหาบาทที่ไหนมารับได้อ่า พระดำริของพระองค์นี้ก็ได้ไปทราบถึงเท้าจาตุมมหาราชทั้งสี่เท้าจ่าตุมมหาราชทั้งสี่ก็คือเท้าททรถเท้าวิรุณหกท้าวิรูปักเท้ากุเวนซึ่งเป็นผู้ราาักษาอสวรรค์ชั้นต้นที่เราเรียกว่าชั้นจาตุมมหาราชรักษาอยู่คนละทิศด้ทราบพระวารจาิตของพระองค์ชินีแล้วก็จึงได้ไดนำบาตศิลาคือบาตหิน ซึ่งท่านบอกว่ามีสีเขียวปีกแมลงทัพมาองค์ล้ลูกมาถวายพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงรับไว้หมดทั้งสี่ลูกแต่เห็นว่าทั้งสี่ลูกนี้จะเป็นภาระหรือเป็นการสะสมเสียพระองค์ก็จึงได้อธิษฐานบากทั้งสี่ลูกนั้นให้เป็นลูกเดียวแล้วก็ได้ทรงรับข้าวสตุก้อนสตูผง จ, จากพ่อค้าสองพี่น้อง นะอ่าด้วยอ่าเมื่อพระองค์ทรงรับแล้วทรงสวยเสร็จแล้วพานี้สองพี่น้องนั้นด้วยความเรื่อมใสก็กราบทูลแสดงตนเป็นอุบาสกอ้างถึงพระพุทธกับพระธรรมคืออ้างถึงพระพุทธองค์กับพระธรรมนั้นเป็นสาระที่พึ่งอ่าเพราะฉะนั้นก็จึงได้นับได้ว่าอุบาสกทั้งสองคนนี้เป็นอุบาสกคนแรกในโลกแต่ว่าถึงรัตนะเพียงสองเท่านั้น คืออ้างถึงพระพุทธกับพระธรรมไม่ได้อ้างถึงพระสงฆ์เพราะตอนนั้นพระสงฆ์ยังไม่มีจึงนับได้ว่าเป็นอุบาสกคนแรกในโลกแต่เป็นประเภทเขาเรียกว่าทเววาจิกะอุบาสกคือกล่าวสองครั้งคือกล่าวกล่าวสองครั้งหมายถึงว่าอ้างถึงพระพุทธกับพระธรรมอ้างถึงพระพุทธกับพระธรรมเท่านั้นนว่าเป็นสนาที่พึ่งโดยคําว่า อาังพุทธันจะธรรมันจะสังฆธรรมันจะสรานาะนะังคะโตน้เราเป็นสองคนสรานาะนังคาตาโดไม่มีความประสังคัญจะเพราะตอนนั้นพระสงฆ์ยังไม่มีอันนี้นักเรียนต้องจําไว้ด้วยว่าอุบาสกคนแรกนั้นคือพ่อค้าสองคนนั้นที่ชื่อวัตถุปสะพลิกะนี้เป็นอุบาสกคนแรกแต่เป็นประเภทที่อุบาสกถึงรัตตนาสองคือพระพุทธกับพระธรรมเท่านั้น เสร็จแล้วพ่อค้าสองอสองคนผู้นี้พี่นอนผู้นี้ก็จึงได้ขอสิ่งอันเป็นที่ระลึกแก่พระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็จึงได้ยกพระหัตถ์ลูกที่พระเสียรก็ปรากฏว่ามีเส้นพระเกศาติดพระหัตถ์มาแปดเส้นก็จึงได้มอบให้ออุบาสกทั้งสองผู้นี้จึงได้นําใส่ไว้ในตรับของตนเองแล้วก็นํากลับ เมื่อขายสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำกลับมาอย่างบ้านเมืองของตอนเองก็จึงได้สร้างเป็นพระเจดีย์บรรจุไวน้นี่เป็นสัปดาห์ที่เจ็ดครั้นเมื่อพระองค์นั้นโศวิมุตติสุขจนถึงเจ็ดวันในที่ต้นราชาจตนะนี่แล้วต้นไมเกตที่เรียกว่ า, าชายตนะนี่แล้วพระองค์ก็ได้เสด็จกลับมา ประทับอยู่ที่ต้นอั ช, ชะปาลณนิโครลอีกต่อไปแล้วก็ทรงพิจารณาเมื่อพระองค์เสด็จ ก, กลับมาแล้วก็จึงได้ทรงพิจารณาถึงพระธรรมที่พระองค์นั้นได้ตดรัสรู้ว่าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากยากที่บุคคลนั้นที่ยินดีในการมาคุณจะรู้ตามได ท่อพระไทยที่จะสั่งสอนเวนัสัตต์ต่อต่อไปเห็นว่าธรรมะขนาดพระองค์นี้ยังเรียกว่าพระองค์นี้กว่าจะแสวงหาได้หรือว่าบรรลุได้นั้นยากเย็นเข็นใจเหลือเกินพระองค์ต้องใช้ความพยายามมาถึงหกปีแต่บุคคลอื่นนั้นเน่ะถ้าหากว่าขาดความพยายามไปแล้วหรือไม่จริงไม่จังแล้วหรือเป็นคนที่มีปัญญาสมก็ยากที่จะรู้ได้ พระองค์ก็เลยทรงทอพระไถยทรงทอพระไถยที่จะตรัสสอนเวนัยสั์ต่อไปก็เป็นผู้ที่มีความขนขวายน้อยเสียตอนนี้แหละท่านพระตกัถ า, าจารย์ก็ จ, งกงนะจึงได้กล่าวถึงท้ามหาพรมนะจึงได้กล่าวถึงเท้ามหาพลมว่าเท้ามหาพลมทั้งหลายเมื่อรู้พระวาระจิตของพระพุทธองค์เช่นนี้แล้วก็ จึงได้กล่าวขึ้นว่าโลกของเรานั้นชิบหายแล้วโลกของเรานั้นชิบหายแล้วเพราะพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ขวนขวายน้อยไม่เราไม่ตรัสสอนเวนยศัตว์เสร็จแล้วพระพรหนั้นก็จึงได้ชวนพวกเทวดาทั้งหลายลงขึ้นมากราบทูล ใ, ให้พระองค์นั้นทรงตรัสรูธรรมเทศนา โดยที่เราใช้เป็นคำพูดว่าพรมมาเจโลกานั่นแหละให้พระองค์นั้นเทศสอนเวนนยสัตว์ขึ้นต่อไปเอาละท่านผู้ฟังทั้งหลายาวันนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนขอความเจริญภาสุขจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันเจริญพร เรสุขท่านผู้ฟังและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็ว่ากันบทเรียนต่อไปในครั้งที่แล้วนั้นเราได้พูดกันมาถึงเรื่องตอนที่เท้ามหาพลมรู้ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพูดมีความขนขวายน้อยไม่คิดที่จะแสดงพระธรรมเทศนาโปรดสัตว์ทั้งหลายก็จิงได้ เชิญชวนพวกเทวดาทั้งหลายลงมารัตนาให้พระองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเวยนยัตต์ต่อไปท่นนี้เราก็มาว่าต่อความจริงนั้นถอเราจะพูดกันโดยธรรมอาทิฐานแล้วพระพรหมที่งมารัตนาพระพุทธองค์นั้นพูดกันโดยพุทละทิฐานถ้า พ, พูดกันโดยธรรมอาทิฐานแล้วคามจริงพระพรหมนั้นก็ได้แก่พรหมวิหารธรรมของพระองค์เอง ในพรมวิหารธรรมทั้ง่าที่พระองค์มีอยู่นั้นหรือว่าพรมวิหารธรรมนั้นก็มีสี่ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะฉะนั้นพระพรหมที่ว่านั้นก็ได้แก่พรมวิหารของพระองค์จริงอยู่ในครั้งแรกนั้นพระองค์คิดเบื่อหน่ายในการที่จะสั่งสอนเวนยสักด้วยเห็นว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี่ลึกซึ้งเหลือเกิน นะลึกซึ้งเหลือเกินยากที่เราสัตว์นั้นจะรู้ตามได้ขณะพระองค์ซึ่งเ ป, เป็นผู้ที่มีปัญญาดีก็ต้องอาศัยความมานะพยายามอย่างมากต้องใช้ความเพียรอยู่ถึงหกปีจึงสามารถบรรลุได้แต่ถ้าคนอื่นท้ามีความย่อย่อไม่มีความเพียรอย่างมั่นคงและเป็นคนที่เต็มไปด้วยกิเลสอาสวะแล้วยากที่จะทัสนรู้ได้แต่ด้วยอาศัยพระมหากรุณาของพระองค์นั่นเอง เนะะโดยอาศัยพะมหากรุงนาพระองค์นั่นเองซึ่งเป็นผู้ที่มีความสงสารในเหล่าสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็ได้พิจารณาดูเหล่าสัตว์ <c oughs> <c oughs> ก็ได้ทราบว่าเหล่าสัตว์นั้นเนี่ยมีอยู่สี่ประเภทด้วยกันถ้าจะเปรียบเทียบกับดอกบัวแล้วก็เหมือนกับดอกบัวสี่เหล่า เป็นยังไงว่าเราสัตว์นั้นเปรียบเทียบกับดบอกโบซีเหลา่ามีสี่ประเภทนั้นมีอะไรบ้างก็คือประเภทที่หนึ่งเรียกว่าอุกติตันยู <c oughs> อุกติตันยูนี้ได้แก่เราสัตว์ที่มีกิเลสเบาบางมีอินทรีย์แก่กล้ามีอาการอันดีพึงสอนให้รู้ได้โดยง่ายนะหมายถึงว่า เราสัตว์ที่มีกิเลสเบาบางมีสีแก่กล้าคือมีปัญญาดีเป็นคนที่ฉลาดสอนให้รู้ได้โดยง่ายคืออาจจะสอนได้เพียงอาจจะสอนได้เพียงครั้งเดียวก็สามารถที่จะรู้ได้สัตว์ประเภทนี้เราสัตว์ประเภทนี้ถ้าจะเปรียบแล้วเหมือนกับดอกบัวที่ขึ้นมาคนน้ําเยดอกบัวที่ขึ้นมาคนน้ําเนี่ยพอแสงพระอาทิตย์มาต้องเขา้าก็จะบานทันที มีศัพท์ที่มีกิเลสเบาบางและก็มีปัญญาดีอินทรีย์แก่กล้าคือหมายถึงว่ามีบารมีที่เด็ดชมงคญมาแต่อดีตชาติอแล้วก็มีอินทรีย์จงแก่กล้าแล้วสามารถที่จะรู้ให้ได้จะรู้สอนให้รู้ได้โดยง่ายแม้แต่เพียงครั้งเดียวตัวอย่างเช่นภาษาริบุตรเป็นต้นในฟังพระธรรมเทศนาเพียงพระกถาเพียงคาถ า, า, าเดียวเท่านั้นเนี่ยภาษาริบุตรพระโมคคัลลาก็สามารถที่บรรลุมรรคผลนิพพานได้ คือพูดยังไงว่าสอนได้ให้รู้ได้โดยง่ายก็เปรียบเทียมเหมือนดอกบัวที่ขึ้นมาพนาน้ำพอถูกแสงพระาธิกย์กบานทันทีไม่เป็นพวกที่หนึ่งพวกที่สองวิปติตันยูพวกวิปติตันยูนี้หมายถึงว่าเราสัตว์ที่มีคุณสมบัติเช่นนั้นพอปานกลางคือหมายความมีกิเลสไม่เบาบางนักแต่ก็ไม่หนานักหรือกว่าพอปานกลางมีอินทรีย์ก็ไม่แก่กล้านักนะ พอปานกลางมีปัญญาก็พอปานกลางแต่ถ้าหากวาได้รับการอบรมนะจนมีอุปนิสัยแก่กล้าแล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมพิเศษได้คือคนประเทศที่สองนี้สอนเพียงครั้งสองครั้งนั้นอาจจะไม่ได้หรือว่าสอนโดยย่ออาจจะไม่ได้อาจจะฟังไม่รู้เรื่องต้องขยายเนื้อความให้พิสดารแล้วจึงพอที่จะรู้ได้ เปรียบเทียบแล้วอ่าประเทศที่สองนี้เปรียบเหมือนกับดอกบัวที่ตั้งอที่อยู่เสมอน้ําคืออยู่สเสมอน้นํานี้ดอกบัว น, นั้นยังไม่พ้นน้ํำมายังไม่พ้นพื้นน้ํายังอยู่ในน้ําอยู่แต่ว่าขึ้นเสมอน้ําแต่ว่าเมื่อขึ้นเสมอน้ําแล้วนี่วันนี้ยังไม่สามารถจะบานได้พระอธิย์จะส่องสกีดวงก็ตาม ก็ไม่สามารถจะบานได้เพราะว่าน้ํานั้นได้ห่อกลี่ยได้ห่อกลีบบัวอยู่กลีบอ่ากลีบของดอกบัวอยู่นะแต่ว่าดอกบัวชนิดนี้จะวันจะบานในวันรุ่งขึ้นเพราะในวันรุ่งขึ้นแล้วดอกบัวชนิดนี้ก็จ ะ, จะเจริญขึ้นมาจนพ้นน้ําแล้วเมื่อถูกต้องแสงอาทิตย์แล้วก็จะบาน น, นี่เป็นประเภทที่สองประเภทที่สามประเภทเนยยะเนยยะเหล่านี้ได้แก่พวกสัตว์ เราสัตว์ที่มีกิเลสหนานะเป็นผู้ที่มีกิเลสหนาแล้วก็ปัญญาอ่อนปัญญาน้อยอุปนิสัยอ่าอินทรีย์ก็ไม่แก่กล้ายังอ่อนอยู่ยังหาอุปอยังยังไม่มีอุปนิสัยในการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ก็ยังพอที่จะแนะนําในธทำเรื่องต่ําไปก่อนเพื่อบรรลุอุปนิสัยที่จะได้ ตัดสู้หรือว่ารู้แจ้งต่อไปอสัตว์พวกนี้เหล่านี้พูดง่ายกคือว่าแม้จะอธิบายแล้วจะขยายความให้แจมแจ้งแล้วก็ยังไม่สามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องอาศัยการสั่งสอนบ่อยๆหรือว่าต้องการทาอย่างมากเทนพวกนี้เป็นคนที่ปัญญาไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จาจะอะไรจำไม่ได้ก็ต้องอาศัยการท่องจาก็เรียกว่า เป็นผู้ที่พอที่จะแนะนําได้จะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับดอกบัวที่ยังอยู่ใต้น้ําอยู่ดอกบัวที่ยังอยู่ใต้น้ํานั้นเนี่ยหมายถึงว่ายังไม่ตะยังไม่อยู่ที่เสมอน้าเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะบา่ายังไม่สามารถที่จะพ้นน้ําได้ยังดีก็ยังแค่เสมอน้ําอยู่แต่ในวันต่อๆไปนั้น สามารถที่จ ะ, จะเจริญขึ้นมาจนจนพ้นพื้นน้ําได้เมื่อจเจริญขึ้นมาพ้นพื้นน้าอะไรถูกต้องแสงพระอาทิตย์ก็สามารถที่จะบานได้ทันทีนี่เปรียบเ่ยนวิลาสัตว์ที่ประเภทที่สามนี้คือซึ่งมีคุณสมบัติมีกิเลสยังบะยังอย่างหนาอยู่อินทรีย์ก็อ่อนปัญญาก็น้อยแต่ก็สามารถที่จะได้รับทคำนนแนะนําเพื่อจะเป็นอุปนิสัยต่อไปได้ ประเภทที่สีที่เรียกว่าปัทภปรามะปัทภปรามะนี้ได้แก่เราสัตว์ที่เป็นอภพภพบุคคลนะอภพภบุคคลอภพภบุคคลนี้แปลบุคคลซึ่งไม่สมควรที่จะได้รับคําอ่านที่จะได้ได้รับการตัดสู้เลยในชาตินี้อภพภบุคคลนี้ซึ่งเรามาเรียกเป็นภาษาไทยว่าเป็นคําว่าอาภพนะที่คําว่าอาภพอภพะแปลว่าผู้ไม่สมควร แต่เรามาเลือกเป็นอาภัพไปเช่นบุคคลใดมีพ่อตายก็เรียกว่าอาภัพพ่อแม่ตายก็เรียกว่าอาภัพแม่ไปความจริงแล้วมาจากคาว่าอาภั พ, พเพราะฉะนั้นคนผู้นี้ไม่ยอมรับคําแนะนําสั่งสอนทั้งนั้นใครจะสั่งสอนอยังไงก็ไม่ยอมรับจะให้ดีให้ชั่วยยังไงก็ไม่ยอมรับทั้งนั้นไม่ยอมฟังเสียงไอการที่จะได้รับคำสั่งสอน เพื่อจะให้กายเป็นคนดีหรือว่าในทางธรรมะธรมโมดันไม่ยอมรับพวกนี้ถ้าจะเปรียบแล้วเหมือนดอกบัวที่กำลังเริ่มแตกหรือว่าเริ่มที่จะเป็นดอกใหม่ๆซึ่งยังอยู่ใต้น้ำลึกเพราะฉะนั้นดอกบัวที่ยังอยู่ในใต้น้ำลึกก็จะแตกงอกใหม่ๆนั้นนะยังไม่สามารถที่เราจะเดาหรือคากันได้ว่าดอกบัวชนิดนี้ จะสามารถจเจริญเติบโตขึ้นมาเหนือพื้นน้ำและกะบานได้เพราอะไรเพราะว่าดอกบัวเล็กๆนี้เป็นอาหารที่อร่อยของเต่าและปลาเรียกว่าจะอาจเรียกว่าจะย่อยลอดจากปากปากปากของเต่าของปลานั้นยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเปรียบเหมือนสัตว์ผู้ประเภทหลังนี้ดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงพิจารณาถึงเหล่าสัตว์นะถึงเหล่าสัตว์ เป็นสี่ประเภทนี้เช่นนี้แล้วพระองค์ก็ทรงพอพระทัยว่าคำสอนของพระองค์นั้นคงจะไม่เป็นหมันคือสามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้กับสัตร์สามประเภทเบื้องต้นคืออุปติจัญญูวิปติจัญญูและเนยยะส่วนปะทะประมะนั้นเป็นอาภะพระบุคคลก็ทรงปล่อยไปก็เห็นว่าจะไม่เป็นการเหนื่อ ย, เ, อยเปล่าๆที่พระองค์จะได้สั่งสอนเวนยสัจสืต่อไป เมื่อพระองค์ตัดสินพระไทยที่จะสั่งสอนเวนัยศัสตร์เช่นนี้แล้วพระองค์ก็มาดหลิว่าผู้ใดหนอจะเป็นผู้สมควรได้รับฟังพระธรรมเทศนาต่อนกว่าใครเป็นครั้งแรกหรือเรียกว่าพระองค์นั้นควรจะแสดงจะโปรดใครก่อนพระองค์นั้นเป็นผู้มีความประจัญอยูกะตะเวที พระองค์ก็ทรงหัวเรืลึกถึงอาจารย์ทั้งสององค์แรกทั้งสองครั้งแรกก็คืออาจารย์องค์แรกนั้นก็ได้แก่อาราดาบทการามโคตรซึ่งพระองค์นั้นเมื่อโบยไหมได้อาศายัยอาศายัยเหรียนละทิจจนกระทั่งจบถึงสมาบัติเจ็ดประการแต่พระองค์ก็ได้ทราบว่าอาราดาบทอาจารย์ของกาลามโคตรผู้เป็นอาจารย์ของพระองค์นั้น ได้ถึงแก่มรณกรรมไปซะแล้วถึงแก่มรณกรรมไปซะแล้วเจ็ดวันเมื่อเจ็ดวันที่แล้วพระองค์ก็มาพิจารณาถึงอุตกะรามบุตรอุตกะดาวบทรามบุตรซึ่งเป็นอาจารย์องค์ที่สองซึ่งพระองค์ได้อาศัยเรียนในละทิจนกระทั่งที่ว่าใดสมบัติแปดประการแต่ก็ได้ทราบว่าอาราอังกุตกะดาบทรามบุตร ซึ่งเป็นอาจารย์ของพระองค์นั้นได้ถึงแก่มรณะภาพไปเสียแล้วเมื่อเย็ยนวานนี้พระองค์ก็จึงสลดพระทยัยว่าอาจารย์ทั้งสองนี้ถึงแล้วซึ่งความหายณะอันยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าอาจารย์ทั้งสองนี้ได้มีชีวิตรอพระองค์ที่จะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์เพียงครั้งเดียวอาจารย์ทั้งสองนี้ก็จะหมด จากกิเลสอาสวะสิ้นทุกสิ้นถูกกันทีแต่นี่อาจารย์ทั้งสองนั้นเดือนมาดับชีพสิ้นชีพไปซึงก่อนเช่นนี้จึงนับว่าเป็นผู้ที่ถึงความหายานะอันยิ่งใหญ่ในข้อ น, นี้ท่านนักศึกษาก็ต้องคิดดูเหมือนกันว่าทำไมพระองค์จึงได้ประอายพระองค์จึงได้ตรัสเช่นนั้นความจริงแล้วอาราณราบดับกับอุตกรดาบดัอาจารย์ทั้งสององค์นี้ เมื่อสิ่งชีพไปแล้วก็ไปเกิดอยู่โน่นในอรูปภพลมทำไมว่าในสวรรค์หรือชั้นพรมนีลใครๆก็ปรารถนานักที่จะไปเกิดไม่ใช่หรือและทำไมเมื่อไปเกิดแล้วพระองค์ตรัสว่าเป็นผู้ที่ถึงซึ่นความหายนะอันยิ่งใหญ่อันนี้ก็เพราะเหตุว่าการที่เราจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรมหรือชั้นอรูปภพมก็ตามก็ยังจะต้องได้รับความทุกข์อยู่จะต้องได้รับความทุกข์อยู่ แห่งสังสารวัฏนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเด็้ตรัสว่าทั้งหากว่าทั้งสององค์นี้ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์เพียงครั้งเดียวก็จะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เรียกว่าไม่ต้องเกิดอีกเรียกว่าสิ้นทุ ก, กันทีนะแล้วก็พระดาวโบทั้งสององค์นี้ไปเกิดในอรูปภพนั้นอายุของอรูปภพแต่และชั้นหลาชั้นนั้นมากเหลือเกินเหลือที่จะนับได้ไปนั้นยังต้องเสวยทุกอยู่อีกนานพระองค์จึงเด็้ตรัดว่า ถึงซึ่งความหายาะอันยิ่งใหญ่อย่างนั้นเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าพระดาบทผู้เป็นอาจารย์ทั้งคู่นี้ซึ่งชีพไปแล้วก็จึงหัวรลลึกถึงปัญจวัคคีปัญจวัคคีทั้งห้าซึ่งปัญจวัคคีทั้งห้านี้ได้มีอุปการะแก่พระองค์มาก่อนคือในตอนที่พระองค์นั้นทรงบอมเพญทุกกรกิริยาอยู่โดยการทรมานพระกายนั้น ก็ได้ปัญจวัคคีทั้งห้านี่แหละเป็นอุปถัคอยประคองลุก ป, ประคองนั่งและช่วยเหลือในกิจการต่างๆแก่พระองค์เป็นอัมากเพราะฉะนั้นพระองค์ก็อาศัยพระอ่ากัตตัญญูกตัตเวทีเช่นนี้ก็เพื่อจะเป็นการตอบสนองอุปการะคุณที่ปัญจวัคคีทั้งห้าได้ทาได้กระทํากระตนเอกะกับพระองค์เองไว้เพื่อจิน ตสินพไทยจะไปสแสดงธรรมปรดปัญจวัคคีย์ก่อนใครพระองค์ก็พิจนารณาดูก็ได้ทราบว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี้บัดนี้ไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมลกทายวันเมื่อพระองค์ตัดสินพไทยเช่นนี้แล้วก็จึงได้เสด็จจา ก, จากต้นอัจฉปารนิโคลด์เสด็จไปเมืองพาราณสีที่จะปรดปัญจวัคคีย์ต่อไป ในขณะที่พระองค์ได้เดินทางไปออกจากต้นอชาปกรณิโครรนั้นระหว่างทางที่จะถึงเมืองพญาคือจังหวัดพญานี้ก็ได้พบอาชีวกตนหนึ่งชื่อว่าอุปกาที่เราเรียกกันว่าอุปการและชีวกในระหว่างหนทาง <c oughs> อาชีวกพวกนี้ได้เห็นพระรัศมีของพระพุทธองค์คือพระองค์ทรงเปล่งพระชพันรั ศ, รศมี แล้วสรงดำเนินไปด้วยอาชีวะคณนี้เห็นเขาแล้วก็เกิดความเลื่อมใสโดยที่ว่าพระตนเองไม่ได้เห็นมาก่อนก็จึงได้เข้าไปถามถามว่าพระองค์นั้นนะ่ะชื่ออะไรหนวดในสำนักของใครใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านนะใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านท่านชอบใจธรรมะของใคร ท่า น, นเป็นผู้ที่มีลมัศมีเปล่งปลั่งมากนักหนาพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าตถาคตนี้เป็นพฤศยามภูเป็นผู้ตรัสรู้เองหาใครที่จะเป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้นะตถาคตนี้ชื่อว่าอนันตชินปุปกาลาชีวกพอะได้ยินคําช่นีแล้วไม่เชื่อในใจคิดว่า ผู้นี้เน่ะลูกพระ อ, องค์เนี่ยคุยมากเกินไปหาว่าเป็นอาหาว่าเป็นพัสยามภูคืตัดสรุเองโดยไม่มีครูบาอาจารย์อาชีวะผู้นี้เมื่อไม่เชื่อเสร็จแล้วก็สังส่งทิสระมอสั่งทิสระแล้วก็ถุยน้ำลายแล้วก็หลีบไปโดยหลีกทางท้ายไปผ่านไปพระ อ, องค์ก็ได้เสด็จตรงไปที่ป่าอิสิปตนมลิพาทยวันก็ไปถึง ปลายสิปันาปนามลกรทาย ว, วันในเย็นวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนอัสสาระหะคือเดือนแปดในตอนเย็นวันนั้นขณะที่พระองค์ได้เสด็จไปใกล้ๆกล้ปลายสิบปันนามลกรทายวันนี้ตัญจวคีทั้งห้านั้นเห็นพระองค์แต่ไกลก็จำได้ก็จำได้ก็จึงได้ปรึกษากันว่า จึงได้กล่าวคุยกันว่าพระองค์นั้นนะคงจะไม่ได้สาเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาลกแต่การที่พระองค์มานี้เพราะเหตุที่พระองค์นั้นเป็นผู้ที่ต้องการจะมาหาคนอุปถัา mm hmm. เพราะเหตุว่าพระองค์นั้นละความเพียนเวียนมาผู้เป็นคนมากๆก็แล้วไม่มีทางสำเร็แต่ที่พระองค์ได้สเสด็จตามเรามานี้ก็เพื่อที่จะหาคนอุปถาเพราะเหตุที่ว่าเรานนั้นเคยอุปถาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้น อย่าได้ไหว้อย่าได้ลุกลับอย่าได้รับจีวร อ, อย่าได้ล้างเท้าอย่าได้รับบาป ท, ทุกต่างทุกอย่างอย่าทําทุกอย่างแต่ว่าพึงปูอาสนะไว้เมื่อเธอนั้นต้องการจะนั่งก็จงนั่งนี่ก็ได้ทําทัญญากันไว้เช่นนี้แต่เมื่อพอพระองค์สดเสด็จเข้าไปถึงจริงทุกองค์นั้นฤาษีทั้งห้าตนนี้ลืมทัญญากันหมดบางท่านก็รับบาปบางท่านก็รับจีวร บางท่านกอล่างเท้าให้บางท่านกอใช้น้ำมันเท้าทาเ ท, า ท, าทา้าให้ลุกไปหมดก็เพราะเหตุที่ว่ามีความเคารพในพระองค์และคนก็เคยได้ทงความเคารพตักงแก่อนอจึงได้ทาเช่นนั้นแต่ว่ายังใช้วาทะที่ไม่เหมาะสมโดยใช้คำเรียกพระพุทธองค์โดยพระโคดกับใช้คำว่าเอาโูซึ่งแปลว่าคุณเป็นต้น ที่เรียกพระโคนี้ก็คือเรียกโคตมะนะเรียกชื่อโคดเลยแล้วก็ใช้คำว่าคุณอันนี้เป็นหลักชนิดอ่าเป็นหลักตามหลักพุทธศาสนาอย่างหนึ่งว่าคนใดก็ตามซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้ของเรานะเช่นเป็นครูบาอาจารย์นั้นเราจะเรียกชื่อไม่ได้ต้องใช้คำที่แทนชื่อเสียเช่นใช้คำว่าท่านอาจารย์หรือลูกพ่อไปเลยนะ ท่านอาจารย์หรือครูไปเลยอย่าไปช้เรียกชื่อไม่ได้อันนี้ตามหลักพุทธศาสนาการเรียกชื่อนั้นเป็นการไม่เคารพการเรียกชื่อผู้ใหญ่การเรียกชื่อนั้นจะเรียกกันได้เฉพาะคนที่เสมอเสมอกันกับคนที่โตกว่าเรียกชื่อเด็กฮะแล้วคาว่าคุณก็เช่นเดียวกันในตามหลักพุทธศาสนานี่ผู้ที่บวชที่หลังจะเรียกพระที่บวชก่อนนั้นว่าคุณไม่ได้จะต้องเรียกว่าท่าน แต่พระที่บวชก่อนนั้นเรียกพระที่บวชที่หลังว่าคุณอันนี้ก็รู้สึกว่าจะผิดการถือนี้ก็รู้สึกจะผิดกับทางโลกเหมือนกันทางโลกนี่ถือว่าการเรียกคุณนี้เป็นคำที่นำหน้าที่ไพเราะเช่นเราเรียกพ่อว่าคุณพ่อเรียกแม่ว่าคุณแม่เหล่านี้เป็นต้นถือว่าเป็นคำนำหน้าที่ไพเราะแต่หลักพุทธศาสนาหรือว่าการเคารพในพุทธศาสนาแล้วเรียกคุณไม่ได้ นะต้องเรียกว่าทัานนะเพราะฉะนั้นคารวะบางท่านเนี่ยก็ยังติาาดคารวะบางท่านเนี่ยยังใช้เรียกพระลิ้มเมนเณรที่อายุอ่อนกว่าตัวเองเนี่ยใช้เรียกว่าคุณก็มีอันนี้ความผิดเป็นเรื่องผิดนะแล้วถ้าจะพูดกันไปตามความจริงแล้วการที่ปัญจวัคคีทั้งห้าเนี่ยเรียกพระองค์โดยนามว่าโคตมะ โดยเรียกพระโคธหรือว่าอาวุโสกว่าคุณเนี่ยความจริงแล้วปัญจวัคคีนั้นเนี่ยเรียกตามวัยนะฮะเรียกตามวัยคือตามอายุเพราปัญจวัคคีทั้งห้านเนี่ยเท่าเราพิจารณาดูดีแล้วแกกว่าพระพุทธองค์ทุกองค์ทุกตนเลยทั้งห้าแกกว่าทั้งนั้นยิ่งเป็นอัญญายิ่งเป็นโกรทัญญะโกรทัญญะ อ, องค์แรกด้วยแล้ว ยิงแก่มากเพราะเหตุว่ากรมธัญญาณิเป็นพราหมณ์คนหนึ่งเป็นโหราจางคนหนึ่งซึ่งไปทํานายพระลักษณะในบรรดาโขนแปดคนด้วยกันเพราะฉะนั้นดี่เขาเรียกชื่อหรือเรียกว่าอาวุโสนั้นก็หมายความว่าเรียกแบบที่ว่าผู้ใหญ่เรียกเด็กหรือเรียกคนที่อายุมากกว่าแต่พระองค์ทรงตรัสห้ามเสียในฐานะว่าเธออย่าใช้วาทชินนี้เพราะขณะนี้พระองค์นั้นได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว อันดเป็นพระอันไดได้เป็นพุทธะแล้วคือตัสลุอมุตระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วโลกว่าเป็นคนที่เลื่อกว่าใครทั้งหมดไม่ควรที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมาเรียกพระองค์โดยพระโคตรว่าโขตมนะฮะหรือเรียกโดยคำว่าคุณไม่ได้อันนี้ถือกนตามคุณธรรมไม่ถือตามอายุอนาำพระองค์ก็ห้ามเสีย้ยนะเสร็จแล้วปัญจวัคคีไม่ยอมเชื่อ ปัญจ ว, วคีไม่ยอมเชื่อว่าพระองค์จะตัดสู้ได้ยังไงก็พระองค์นั้นคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆเสีแล้วและพระองค์จะตัดสู้ได้ยังไงไม่ยอมเชื่อว่าพระองค์ตัดสู้แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเช่นนี้ถึงสามครั้งปัญจวคีก็ไม่ยอมเชื่อพระองค์ก็เลยตัดเตือนให้ปัญจวคีเนี่ยลงลึกถึงสิ ว่าคำนี้พระองค์นั้นเคยพูดมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยเคยพูดมาบ้างหรือเปล่าคำว่าเคยพูดมาบ้างหรือเปล่านั้นหมายถึงว่าพระองค์เคยพูดหรือเปล่าบ้างหรือเปล่าว่าพระองค์นั้นตัดสูุแล้วเพิ่งมาพูดครั้งนี้เป็นครั้งแรกปัญจวคีก็ระลึกถึงว่าตั้หัวระลึกถึงความหลังก็เห็นว่าครั้งนี้พระองค์นั้นไม่เคยพูดมาก่อนไม่เคยพูดมาก่อน ก็จึงได้ยอมรับฟังที่จะฟังพระธรรมเทศนาต่อไปนะพระองค์ก็เลยนะประทานพระธรรมเทศนาที่เราเรียกว่าประถมเทศนาแต่ว่าตามตำนานประวัติศาสตร์นั้นว่าการที่พระพุทธองค์ไปพบปัญจวัคคีย์นี้ไม่ใช่ไปพบที่ป่าอิสิปตนะมฤคตทายวันเลยแต่ไปพบณนะที่แห่งหนึ่ง ซึ่งห่างจากป่าสีปตนามลกทธายวันนี้ประมาณครึ่งไมล์ซึ่งสถานที่นี้พระเจ้าสกมุมาราช น, นั้นได้ไปทำพระเจดีย์ไว้ชื่อว่าเจดีย์นี้ชื่อว่าเจ้าคันทีเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์นั้นมาพบปัญจวัคคีย์ครั้งแรก อและในตอนเย็นวันนั้นซึ่งเป็นเวลาเย็นค่ะเวลาเย็นแล้วในวันขึ้นสิบห้าค่ำพระองค์ก็ยังมีได้ตัดพระธรรมเทศนาจนกระทั่งวันรุ่นขึ้นวันขึ้นสิบห้าค่ำนะว่าเย็นวันนั้นวันที่สี่ค่าเนี่ยซึ่งเป็นวันโกนถ้าเราถือก็ตามไทยเนี่ยพระองค์ยังไม่ตัดพระธรรมเทศนาพระองค์นั้นในวันรุ่นขึ้นเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำนั้นพระองค์ก็จึงได้เรียกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแล้วพระองค์ก็ได้ตัดพระธรรมเทศนาคือบฐมเทศนาโดยพระองค์บอกว่า พระองค์นะ่ะได้บรรลุอมฤตธรรมคําว่าอมฤตธรรมนี้คือธรรมะที่ผู้บรรลุแล้วไม่ตายอันนี้พระองค์นั้นได้ใช้คําของพวกพราหมณนะาา์เอามาตรัสคือคาว่าอมฤตหรืออมฤตธรรมก็มาจากคาว่าอมตะธรรมแปลว่าธรรมที่บุคคลบรรลุแล้วไม่ตายซึ่ง ทางและแอร์ของพราหมณ์นั้นได้มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้าอมฤตคือน้ำที่บุคคลดื่มไปแล้วไม่ตายนะก็คือพวกเทวดาคือเมมีพวกเทวดาอาตอนหนึ่งมีพวกเทวดาเมื่ออยู่ในสูงสวรรค์เกิดความสุขสำราหมีแต่ความสุขกคิดอยากจะไม่ตายก็จึงไปกราบเรียนเรื่องนี้แก่พระนารายณ์ว่าจะทํำยังไงถึงจะให้ไม่ตายพระนารายณ์ก็ แนะนำให้ให้กวนน้ำอมฤตนะฮะน้ำอมฤตก็โดยที่เอาภูเขาสองลูก <c oughs> เอาภูเขาสองลูกซึ่งมีต้นไม้เนี่ยมาซ้อนกันแล้วก็ใช้พยานาคเนี่ยเป็นเชือกแล้วก็ช่วยกันดึงโม่แบบโม่แป้งเสร็จแล้วภูเขาสองลูกนี้เสียสีกันก็ต้นไม้ที่อยู่บนภูเขานั่นก็ ลดละเอียดแตกก็เป็นยางเป็นยางน้ำก็ไหลลงสู่ทะเลซึ่งต้นไม้ทั้งหลายนั่นเป็นยาเท่านั้นไม่มีต้นไม้ใดเลยที่ไม่เป็นยาเมื่อไหลลงสู่ทะเลแล้วพวกเทวดาทั้งหลายก็จึงได้ดื่มน้ําที่ผสมกับยางไม้ต่างๆนั่นเข้าไปก็ปรากฏว่ามีอายุยืนไม่ตายเพราะฉะนั้นพวกเทวดาจึงได้ชื่อว่อมระหรืออมโลโลเทวดาแปลว่าผู้ไม่ตายแต่ความจริงแล้วเทวดานั้นไม่ใช่ไม่ตายหรอก ตายเหมือนกันแต่ว่าอายุนานหรือเกินนานๆดูแล้วคล้ายๆก็เหมือนก็ไม่ตายเนี่ยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ได้อาศัยได้นำเอาคําว่าอมฤตรธรรมนี่แหละมาใช้หมายถึงว่าธรรมะที่พระองค์ได้บรรลุเนี่ยใครได้บรรลุแล้วเป็นคนที่ไม่ตายทางนั้นก็คาว่าไม่ตายนี่หมายถึงว่าจะไม่ต้องตายต่อไปอีกเพราะเหตุที่ว่าไม่ต้องเกิดอีกก็จึงไม่มีตายหรืออีกประการหนึ่งก็คือว่าคําว่าอมาตะธรรมนี้หมายถึงว่า ทมที่บุคคลใดบรบรลุแล้วเป็นคนที่ไม่ตายคือเป็นคนที่ไม่ตายไปจากความดีนั่นเองนี่พระองค์ก็ในดันมมะชายเสร็จแล้วปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ยอมที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่พระองค์ได้กรัดแก่พระธรรมแก่พวกปัญจวัคคีย์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาครั้งแรกนี้จึงได้ชื่อว่า ปฐ ม, มเทศนาเอาละท่านผู้ฟังและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอความเจริญพาสุขจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันสวัสดี